ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะเริ่มแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่วัดป่าสุขกโตไม่มีเทศกาลนี้นะแต่ว่าก็อนุมโมทนาด้วยนะที่ใครจะกินเจในช่วงนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ ช่อลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์นะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเส็จเลยอีกอย่างหนึ่งคนที่ติดชาต์าติดในรสชาติของเนื้อนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารเจพอมีเทศกาลอย่างนี้นะ มีโอกาสได้ชิมได้สัมผัสบ้างก็อาจจะชอบขึ้นมาก็ได้แล้วก็ทำให้เกิดนิสยัยที่อยากจะกินเนื้อสันน้อยลงกินเจรหรือมังสวิรัตมากขึ้นอันนี้มันก็จะมีนิสสงนะยืดยาวเลยช่วงเทศกาลกินเจออกไปนะเพราะถ้ามีนิสัยฝ่ายในทาง นิยมอาหารเจนะมันก็ช่วยทำให้การคนะ่าสัตว์ลดน้อยลงนะแม้ว่าจะเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนต่อไปนขยายไปกว้างขวางขึ้นนอกจากการกินเจนี่มันช่วยทำให้ค่าสัตว์น้อยลงแล้วนะมันยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะ คนเดี๋ยวนี้กินเนื้อมากขึ้นกินเนื้อมากกว่ายุคไหนในประวัติศาสตร์นะถึงแม้ว่าห้าหมื่นหรือ3ปีก่อนคนเราจะล่าสัตว์เป็นอาหารแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้สัตว์เยอะนะก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกถึงแม้สัตว์นี่มันจะเต็มป่าแต่ว่าอาวุธนะเทคโนโลยีมีน้อยส่วนใหญ่ก็ อาหารก็ได้มาจากพวกพืชผักนี่แหละอาหารของคนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นผักเ ส, ส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงเมื่อสักร้อยปีมานี้นะหรือว่าห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผักใส่เยอะนะเนื้อมีน้อยหรือถึงเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อแบบเนื้อปลา อย่างคนไทยเนี่ยเรากินสัตว์ใหญ่ไม่ค่อยมากนะไม่ว่าไก่เป็ดหรือว่าหมูวัวเรากินปลามากกว่านะถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นเนื้อนะจึงมีคำพูดว่ากินข้าวกินปลาหรือว่าข้าวปลาอาหารไอ้สำนวนเนี่ยมันแสดงว่าคนไทยเนี่ยนะกินปลามากกว่าอย่างอื่นนะมากกว่าเนื้อชนิดอื่นอาจจะเป็นเพราะว่า เหตุผลทั้งด้านศา ส, สนานะก็คือว่าถ้าจะต้องฆ่าสัตว์เป็นอาหารก็กินสัตว์เล็กนะสัตว์ใหญ่ก็พยายามเลี้ยงในประเทศลังกาเนี่ยเขากินปลาก็จริงนะแต่ว่าปลา ไม่ได้จับโดยชาวพุทธนะประเทศศรีลังกาเนี่ยชาวประมงเนี่ยเป็นศาสนาอื่นทั้งสิ้นเลยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมส่วนพวกที่เลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์าาก็เป็นชาวฮินดูฮินดูนี่ก็ฆ่าสัตว์นกันนะอย่าไปคิดว่าเข า, เาไม่ฆ่าไม่ฆ่าวัวฮินดูนี่ก็ฆ่าวัวมามาช้านานนะ จนรงทางเมื่อสักสองรอปีมานี่เองตอนที่ต้องการที่จะประกาศว่าเนี่ยฮินดูต่างจากพวกอังกฤษที่มาปกครองประเทศเนะก็จะบอกว่าเราเนี่ยไม่ฆ่าไม่กินเนื้อวัวแต่ว่าแต่ในต่ะไลมาเขาเอากินเนื้อวัวนะเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยนะ เม่อกี้พวกคนสีลังกานี่เขาไม่ถ้าเป็นชาวพุทานี่เขาไม่ไม่จับปลาเลยแล้วเขาไม่มีอาชีพเกี่ยวกับสัตว์ทั้งสิน้นบ้านเรานี่ชาวพุทเรายังจับปลาบ้างแต่ว่าสมัยก่อนนี่ก็จะไม่ไม่เลี้ยงหรือไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่เป็นอาหารสัตว์ใหญ่นี่ก็รวมถึงไก่เป็ดด้วยนะเราไม่เราไม่ได้เลี้ยงกันเท่าไหร่ถ้าอยากได้เนื้อก็ไปจับปลา ข่านนิยมเรื่องการกินเนื้อเนี่ยมันพึ่งมามีนะก็ตอนที่อพอเรารู้จักกับคนจีนคนจีนก็ข่าวัวข่าวหมูข่าหมูหมนะข้าไก่ข่าเป็ดคนไทยก็เริ่มกินไก่กินเป็ดกินหมูและต่หลังก็กินเนื้อวัวด้วยเนื้อวัวเนื้อควายที่คนไทยไ ม, ไม่ไม่กินมาช้านานเพราะว่า มันเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับเรานะช่วยทาํานาแล้วคนไทยสมัยก่อนนี่ก็นับญาติกับวัวกับควายนะเด็กๆนี่ก็จะนับญาติว่าเป็นพี่เนีเป็นพี่เป็นน้านะเนีพราะคุณเคยกับวัวกับควายเวลาตายก็ให้ตายตามธรรมชาตินะแลทํามทำพิธีด้วยนะนิมนต์พระมาทําบวงสุขุล สมัยนี้ไปตื่นเต้นนะที่นิมนต์พระไปทําบองสกุลให้ให้หมาให้แมวนะแต่คนไทยสมัยก่อนนี่เวลาวัวควายนะที่ช่วยทําไร้ไถนาตายนี่เขาก็นิมนต์พระไปทําบองสกุลเพราะเขาถือว่าเป็นสัตว์มีบุญคุณเพราะฉะนั้นการไปฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อมาเอาเนื้อนี่คนไทยก็ไม่ทําเพิ่งมาระยะหลังนี่แหละนะที่มีการล้ ม, มวัวล้มควายกันในงานเลี้ยงหรือล้มหมู ให้รู้นะว่านี้มันไม่ใช่ทำเนียมไทยนะเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนนี่ก็ถือมากนะในการไปฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูสัตว์ใหญ่เนี่ยแม้แต่ปลานี่ถ้าเป็นวันพระวันสิงเขาก็หยุดจับปลา น, นะคือไม่ทําบาปอันนี้เคยเพราะว่าทําไมคนไทยสมัยก่อนนี่กินเนื้อน้อยนะกินผักเยอะนะสุขภาพก็เลยดีด้วยแต่คนสมัยงหารนะที่กินเนื้อเยอะมาก อาหารทุกมื้อนี่มีเนื้อทั้งนั้นไม่ใช่แค่ปลามีหมูมีไก่มีเป็ ด, ม, ปดมีวัวมีเนื้อวัวแล้วก็เลยเกิดปัญหาสุขภาพย่าแย่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคมะเร็งแล้วก็ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์น า, นานาชนิดแล้วกเกิดปัญหาตามมาเพราะว่าถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีการทาลายป่าเพื่อปลูกธัญพืช เป็นอาหารสำหรับสัตว์นะแล้วขี้สัตว์นี่เยอะมากนะในไร่ในใ น, ในฟาร์มก็กลายเป็นมลภาวะเพราะงั้นการที่เรามากินเจหรือว่ากินมังสวิรัต ก, กันให้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่กินตลอดนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะว่ากินแล้วนี่ก็ ให้รักษาใจของตัวให้ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยพอกินเจหรือว่ากินมังสวิรัต ส, สมาทานศีลข้อนี้แล้วเนี่ยก็ไปคิดว่าตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าคนอื่นก็มีนะมองคนอื่นที่เขาไม่กินผักเอ่าไม่กินเจไม่กินมังสวิรัตว่าเป็นพวกยักษ์พวกมารนะกินเนื้อมันก็มีคนทํานองนี้อยู่นะ คือดูถูกคนที่เขากินเนื้อว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผู้ที่ศีลบกพล่องศีลทะลุเนี่ยไอ้คิดแบบนี้นี่มันก็เป็นอุปสรรคนะทำให้จิตใจไม่ไม่เจริญการกินเจนเนี่ยนอกจากเพื่อช่วยรักษาชีวิตของสัตว์แล้วเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งอันนี้รลวงตึงมางสวิรัต์ด้วย ก็คือว่าเช่นว่าไม่ติดในรสชาติของอาหารนะแต่ว่าก็ต้องระวังนะอย่าไปทําให้เกิดมานะขึ้นมาหรือพอกภูมานะมากขึ้นก็คือเกิดการยกตนข่มท่านนะว่าฉันเป็นคนดีคนประเสริฐหรือแม้กระทั่งคิดว่าถ้ากินแจแล้วเนี่ยสิบวันก็ดีหรือกินแจาทั้งช่วยก็ดีเนี่ยจะไปสวรรคนะ์คิดแบบนี้มันก็เป็น ศิลปตาปรามาได้เหมือนกันนะศิลปตาปรามาคือความความเข้าใจหรือความเชื่อว่าจะบรรลุธรรมได้หรือจะอจะขึ้นสวรรค์ได้นะก็เพราะว่าการประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเน้นที่รูปแบบนะคนที่กินเจนะแม้จะกินเจทั้งชีวิตแต่ว่าโกงนะเป็นคนตะหนีทีเหนียว เป็นคนอักตันยูหรือว่าคอร์รัปชันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีทางจะขึ้นสวรรค์ได้นะโอกาสจะไปอบายก็มีเยอะแต่าบางคนก็ไปติดที่รูปแบบนไปติดที่ว่าเออฉันกินเจก็พยายามเคร่งเรื่องเจแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นนะไม่เรียบร้อยนะไม่มีศี น, นอันนี้ก็ไม่ถูกนะ อันนี้เราต้องระวังในการการทำความดีเนี่ยถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดตันหามานาทิฏฐิขึ้นมาได้นะมันไม่ใช่แค่เกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันประเสริฐฉันเลิศนะแต่มันทำให้ไม่ระมัดระวังในการรักษาใจรักษากายของตัวนะให้ถูกต้อง ถือเสียงกินเจก็ดีแล้วนะกินมังสวิรัตนี่ก็ดีแล้วนะแต่อย่าไปดูถูกคนอื่นแล้วขณะเดียวกันก็พยายามปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆให้มันดีด้วยนะคนเรานะจะมีความสุขความเจริญหรือว่าตายไปแล้วจะไปสวรรค์ได้มันไม่ใช่เพราะว่าข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะยิ่งปฏิบัติด้วยใจที่วางไว้ไม่ถูกเป็นศิลปะปรามาส คือปฏิบัติด้วยความยุดติดถือมั่นนะมีตัณหามาณะทิฐิครอบงำหรือว่าแปดเปื้อนอยู่มันก็ทำให้จิตไม่สะอาดนะจิตไม่ผ่องใสนี่ถ้าเรา เ, เราพยายามนะกินเจพยายามถือกินอาหารมังสวิรัตแล้วก็พยายามทำนะอย่างต่อเนื่องนะแม้จะไม่ร้0เอร์เซนนะ อาจจะกินเนื้ออยู่บ้างนะอันนี้ก็ถ้าทำด้วยสติกินอาหารด้วยสติก็ดีเหมือนกันกินเจแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่ถูกนะบางคนก็ติดในรสชาติมากนะมันก็กลับเป็นผลเสียต่อสุขภาพก็มีนะเรื่องทนี้ต้องใช้ปัญญาด้วยนะอย่าใช้แต่ศรัทธาหรือว่าทำตามตา ม, ตามกันไปนะที่วัดเราก็กพยายามนะ ก็พยายามบอกทางครัวว่าให้ให้มีเนื้อสัตว์นะอย่ามากนะเวลาเจ้าภาพมาถวายอาหารพระนี่ก็ก็อย่าพึ่งก็อย่าไปกำหนดวนะ่าต้องมีเนื้ อ, อย่างง้นเนื้ อ, อย่างนี้นะเพราะว่าที่วัด ร, รมเนี่ยนะมันก็จะว่าไปก็เนื้อก็เยอะอยู่แล้วนะมีแต่จะลดลงนะไม่ใช่เพิ่มขึ้น แล้วพวกเราเนะี่ยซึ่งเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นโยบเนี่ยก็ควรจะพอใจนะเอออาหารมันมีเนื้อน้อยลงหรือว่ามีอาหารเนื้อมีไม่มากอย่าไปคิดว่าพอมีเนื้อน้อยแล้วนี่จะไม่มีเลือดไม่มีแรองอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคนสมัยก่อนนี่ก็ทํางานกันหามรุ่มขังคำ่ำเขากินผักเขากินปลาเนื้ออย่างอื่นกินน้อยมากเขาก็ยังมีเลือดมีแรงทําอะไรได้ดตั้งเยอะแยะอันนี้ก็ให้เข้าใจให้ถูกนะ แลยงใครทีสาา่สามารถสามารถสมาทานได้เออกินเจมังสวิรัตไป อ, อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านนโมนาวใจเราก็เตรียมรับพร